ไม่ดีไม่มีคนนะว่างแล้วเป็นยังไ ง, ไไงสบายดีนะไม่ค่อยสบายเล่มีความสบายในโลกนี้แล้วนะสบายก็สบายช่วคราวความไม่สบายเป็นปกติของโลกนี้ความทุกข์เป็นเรื่องปกติของโลกนี้ความสุขนี่เป็นเรื่องผิดปกติ เมื่อกี้เห็นภาพพระพุทธรูปนะพระพุทธรูป แ, ปแก้มมรกฏนสวยดีทางด้านวัตถุนี้ก็สวยแต่มันไม่สวยเหมือนกับทรทมในใจนี่สวยกว่าให้ความสุขมากกว่าความสุขจากพระพุทธรูป ตอบกลับมาว่าตั้งใจจะไปถวายให้พระอาจารย์ถ้าถวายแล้วเราเอาไปทําบุญต่อก็ถ้าไม่ห้ามถ้าไม่บังคับให้เก็บไว้ก็ให้แล้วให้ไปทําบุญก็จะรับอยู่ถ้าให้แล้วต้องเก็บไว้มันมันจะเกะกะไม่ใช่วัตถุมันมากเกินไปมันก็เกะกะ ถ้ามันมีพอสมควรมันก็เลย อ, อะไรมันเฟอ้อแมันไม่ดีนะใช่ไหมเงินเฟอ้อก็ไม่ดีคนเฟอ้อก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีนะคนเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่กับความว่างความไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขพอมีแล้วมันก็ต้องทุกข์กับมันแล้ว ทุกกับการดูแลรักษาทุกกับการพัดผ้าจากกันไม่มีดีที่สุดความว่างนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดนิบานังปรมังสุญญอย่างนิพพานก็คือความว่างที่ยิ่งใหญ่ความว่างสุดๆคือพระนิพพาน คือใจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเลยถ้ามีอะไรใจมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยมีทรัพย์ก็ต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์มียดก็ต้องเกี่ยว่องเกี่ยวข้องกับยดมีอะไรมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องเอาเกี่ยวข้องมันก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาดีใจเวลาได้มาเสียใจเวลาจากไปเวลาอยู่ก็กัวงวล กังวลว่าจะเป็นอะไรไปจะจากไปเนี่ยพวกเราไม่รู้ความสุขสุดยอดของของพวกเราอยู่ที่ความว่างที่สุดยอดนี่นความว่างสุดๆนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าเปมีอะไรเป็นของเราเพราะพอมันเป็นของเราแล้วมันทุกขึ้นมาทันที ถ้ายังไม่เป็นของเราไม่ทุกใช่ไหมแฟนนี่ถ้ายังไม่เป็นของเราก็าจะไปเที่ยวกับใครไปกินกับใครไปนอนกับใครเราไม่ทุกพอมาเป็นของเราแล้วทุกแล้วนะถ้ากลับไปเที่ยวกับใครไปกินกับใครไปนอนกับใครทุกขึ้นมาทันทีอย่ามีแฟนอย่ามีทรัพย์อย่ามีอะไรอยู่แบบขอทานกินไปวันวัน หาเช้ากินขําเหมือนพระเนี่ยหาเช้ากินเช้าเลยไม่กินขํามเบ็นตาบาเสร็จกลัมาพบกับฉันเลยฉันเสร็จกระจกพวกนี้ค่อยว่ากันหมเรื่องอาหารไม่มีที่เก็บไม่มีที่สะสมอย่างมากก็อดตายคิดอย่างนี้คนเราในที่สุดก็ต้องอดตายกันทุกคนเวลาไม่สบายมันก็กินไม่ได้ กินไม่ได้มนก็ตายมันก็อดตายด้วยกันไม่มีใครไม่อดตายหรอกถ้าเราไม่กลัวความอดตายแล้วเราก็อยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายจะไม่อดตายได้ใจต้องสงบใจต้องว่างใจต้องไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องใจจะสงบใจจะสบายใจไม่ได้เป็นคนกินข้าวใจไปกลัวทําไมใจไปทุกข์กับร่างกายทําไม เวลาร่างกายอดข้าวไม่ได้กินข้าวใจไปทุกเองลองอดดูซิลองอดข้าวดูแล้วลองนั่งทำสมาธิดูใจจะอิ่มอิ่มจากสมาธิร่างกายหิวก็เรื่องของมันมันคนละคนกันร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งเราเป็นใจเราไปกังวลกับกายทำไมที่เป็นเหมือนคนใช้เราไปคอยเลี้ยงมันไปคอยห่วงมัน ก็ต้องใช้มันไม่ใช่อะไรหรอกต้องใช้มันพาเราไปนู่นมานี่พาเราไปดูไปฟังไปไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆก็เลยต้องเอาอกเอาใจมันต้องคอยเลี้งดูมันแต่เลี้ยงดูมันยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องอดตายวันหลังวันหนึ่งมันก็ต้องไม่สบายวันหนึ่งมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็กินไม่ได้มันก็อดตายอย่นี นีแการมีอะไรเนี่ยถึงมีความทุกข์การไม่มีอะไรเนี่ยถึงมีความสุขการไม่มีอะไรเป็นของเรามีก็อย่าไปถือว่าเป็นของเราถ้าเราไม่ถือแล้วเวลามันไปเราไม่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราถือนมันมันเดือดร้อนเอาน่อย่ามีอะไร อย่ามีอะไรเป็นของเราถ้ามีก็อย่าไปถือว่าเป็นของเราเป็นของใช้ให้กับร่างกายที่ไม่ใช่เป็นของเราของทุกอย่างที่เราใช้นีใช้ให้กับร่างกายทั้งนั้นไม่ได้ใช้ให้กับเราเลยเสื้อผ้าก็ของร่างกายอาหารก็ของร่างกายที่อยู่อาศัยก็ของร่างกายอยารักษาโรกก็ของร่างกาย ไม่มีอะไรเป็นมามาให้กับเราเลยมาทำอะไรให้กับเราเลยทำให้แก่ร่างกายแล้วทำดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายไปเดี๋ยวถึงเวลามันก็แก่เจ็บตายไปใจเหนื่อยไปกับการแบกร่างกายเลี้ยงดูร่างกายมไม่ได้อะไรนอกจากความสุขประเดี๋ยวประด๋วจากการใช้ร่างกายพาไปเที่ยว ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ก็ะสุกกันสนุกกันเฮฮากันถ่ายรูป ก, กันพอกลับมาบ้านก็เปิดดูแต่รูปคิดถึงอดีตที่หวานแต่ปัจจุบันมันขมแล้วมันหายไปหมดแล้วโอ้ฉันไปเที่ยวที่นู่นฉันไปเที่ยวที่นี่โอ้สนุกแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอยู่บ้านเหงาไหมเหงาเบื่อไหมเบือ่อเดี๋ยวต้องไปเที่ยวใหม่ นี่แหละการที่เราไม่เราการที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ต้องวุ่นวายอะถ้าเราทำให้กัดใจเราเราทำผ่านสม ว, ว่าพระเจองค์วสุดตเจนะทศสุดเรื่องพยานนกุูงอยู่เงนะ ค, คะที่ว่าให้จัดส ร, รรทรัพย์ ไม่เป็นสี่ส่วนหรือห้าส่วนแล้วถ้าเกิดเราทําเต็มร้อยไปแล้วเราให้ส่วนทีน่สมคนรจะให้ไปนล้วก็เท่ากับว่าเราทําให้าใจมันเป่าค่ะทำให้คนอื่นไงเอาทรัพย์ให้มาให้เราแล้วก็ทําให้เราสิแต่ใจเราก็ได้รับประโยชน์คือหมดทุกไปส่วนหนึ่งเข้าใจไหมใจไม่ต้องห่วงกับเงินกลองนี้แล้วเงินกลองนี้ไปแล้ว มันจะหายไปไหนใครจะไปมันเราแม่ถ้ายังอยู่กับเรานี่มันยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวก็อยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่อยากจะไปเที่ยวแล้วถ้าเกิดเราเราตั้งใจว่าเราให้พ่อแม่เราแบบเนี้ค่ะแล้วก็เราเราอยากให้พ่อแม่เราทําบุญไม่ได้คนจะให้เขาก็ให้ก็ไปแต่คนจะไปบังคับให้เขาทําบุญไม่ทําบุญอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการให้นะ เป็นการใช้ก็ไปทําบุญนะได้เห็นกรณีโยมแม่ที่ทําทําเองไม่ได้เอเเอก็เรื่องของเขาล่ะมันไปอยู่กับเขาทําไมล่ะเขาจะทําไม่ทำมันก็เรื่องของเขาของเราก็ให้อย่างเดียวนะเออเราทําของส่วนข<ำ>องเราชีวิตของคนอื่นเราไปทําแทนเขาไม่ได้เดินแทนเขาไม่ได้คิดแทนเขาไม่ได้บอกได้บอกแม่ทาบุญดีนะ ทำแล้วมีความสุขนะพระพุทธเจ้าบอกทําบุญแล้วไปสวรรค์น ะ, ะก็บอกได้แค่นี้แต่ถ้าไม่ไม่เชื่อแะกูจะไปกูจะไปจะไปเที่ยวนะเนี่ยจะจะว่างไหมเขาชอบเที่ยวเขาก็จะเอาเงินไปเที่ยวเขาชอบเล่นไพ่เขาก็ไปนั่งเล่นไพ่เออถ้าจะให้เงินทองใครอย่าไปกําหนดว่าต้องให้ไปทําอย่างงู้นทำอย่างนี้ได้ กำหนดคนที่เขาทําไม่ได้เาขาคงไม่เอาเลยเรื่องเงินมาใช้กูเนี่ยวะใช่ไหมอย่างโยมจะเอาสร้างสร้างกุฏิอยากจะให้เราสร้างกุฏิเอาเงินมาให้เราสร้างกุฏิของไม่เอาเราเราไม่ต้องการกุฏิมาให้เราทำไมกุฏิเรามีแล้วถ้าให้พาคนเขาก็ไปให้เ<ร>าขาเสียมาให้เราทําไมเราไม่ก็ ม, มาใช้เราสิอ่าถ้าไม่ได้ใช้ก็เขียนว่าให้เป็น ให้พระบนเขาไม่ได้ให้คนรับไอเราไม่ให้กลับไปให้คนอื่นอ่าใช่ไหมอาจารย์ฮะเราเกิดถ้าเรามีผ้าดีๆเนี่ยเราเอาไปให้วัดเจ้าเราเอาไปทาบุญเราได้บุญไหมคะพระอะไรดีๆพระบุรเหรียญอะไรเงี้ยเรามีแบบพระเกจอ๋อไม่ไม่มีดีหรอกพเหล่านั้นมันก็เป็นวัดถูกนะแตงนก็ต้องการตลาดอะไรเงี้ยก็ก็เป็นการขายของนั่นแหละ แล้วก็ไปทําบุญได้ใช่ไหมคะกไ็ได้มันก็เป็นเหมือนขายตุ๊กาตาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าบาป e> ไม่บาปตรงไหนถ้าเราไม่ได้ไปขโมยเข้ามาวันนี้ของเราอ่เป็นของเราแบ่งทําบุญวัดแล้วก็ให้คนอื่นบ้า ง, ง<อ>ได้ก็เป็นเหมือนขายขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายของที่เรามีอยู่แล้วก็เอาเงินไปทําบุญพระพุทธรูปนี่ก็เป็นเพียงวัตถุ เป็นแต่ลราเห็นว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเป็นวัตถุมงคลแล้วก็มีการเชื่อกันต่างๆนาน า, นาว่าสามารถทําให้เกิดใอ้นู่นเกิดให้นี่ได้สามารถกําจัดทุกภัยอะไรต่างๆไนดะ้ก็เลยกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเพราโยมไม่ย้ายบ้านสิบสามคนแล้เลยไม่อยากจะเก็บอะไรอีกแล้วอ่ะอ๋ออยากจะเอาของออกแล้วก็ไปขายแล้วก็เอาไปทาําทานเนี้ยได้ใช่ไหมคะได้ไดง ทำไม่หมดเลยไม่มีแล้วจะมีความสุขเวลาจะย้ายบ้านไปไหนแต่ละครั้งนี่มีทรัพย์สมบัติพระลุงพลังเหนือ่อยอาจอยู่แบบไม่มีสิอยู่แล้วสบายใจจะตายไหบ้านก็กวาดง่ายถูง่ายถ้าบ้านโลง่โลงๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีข้าวมีของกวาดปุ๊บเดียวกวาดปุ๊บเดียวถูปุ๊บเดียวก็เสร็จแล้ว มีเฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์มีตู้มีโต๊ะโอ้ไหนจะต้องเช็ดโต๊ะไหนจะกวาดใต้โต๊ะโอ๊ยปวดหัวอย่างศาลาเนี่ยโล่งๆถูแป๊บเดียวก็เสร็จกวาดแป๊บเดียวก็เสร็จได้มากเลยค่ะ ต, ตอนนี้ของออกเยอมา อ, นะอยู่แบบสุขไม่เป็นชอบอยู่แบบทุกข์กันความอยากมันเยอะเห็นอะไรก็อยากไปหมดไม่รู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ คิดว่าเป็นสุขกันสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาแล้วก็มาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็มาทุกข์กับการพัดผ้าจากกันเน่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกนิบานนังปรามังสุญญ์ยังนิพพานคือความว่างคือใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยไม่มีอะไรต้องกังวลเลยไม่ต้องคิดถึงใครจะเป็นอะไรก็ช่าง โลกนี้มันจะระเบิดเป็นเสี่ยงก็เป็นเรื่องของมันเราไปห้ามมันได้หรเปล่าถึงเวลามันจะดับเนี่ยคิดว่าโลกนี้มันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดนะดวงอาทิตย์นี่มันจะมีแสงอย่างนี้ไปตลอดนดวงอาทิตย์มันก็เตาไฟดีๆ เ, เตาแก๊สดีๆนี่เองล่ะที่มันมีแสงมีไฟมีความร้อนก็เพราะแก๊สที่อยู่ในดวงอาทิตย์นี่แหละมันลุกเป็นไฟขึ้นมา แล้วเดี๋ยแก๊สมันก็ต้องหมดใช่ไหมหมดแล้วโลกนี้จะอยู่ยังไงก็อยู่กับหิมะสิถ้าขาดธาตุไฟไปมันก็อยู่ไม่ได้แล้วมนุษน์นี่มันต้องมีธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟพอไม่มีไฟแล้วทุกอย่างก็จบหยุดให้นายไปดูที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มีต้นไม้ไหมมีต้นไม้มีใบหญ้ามี อะไรไม่ไม่มีแล้วพอมันขึ้นไม่ได้มันขาดธาตุไฟมีแต่ดินแต่น้ำมีแต่ลมแต่ไม่มีไฟมันก็ขึ้นไม่ได้หรือถ้าไปที่ทะเลทรายไปตะวันออกกลางมันมันก็ขาดธาตุน้ำกันแค่มีมีแต่ดินมีแต่ลมมีมีแต่ไฟแต่ไม่มีน้ำตรงไหนมีน้ำมันก็มีต้นไม้ขึ้นมา ในทะเลทรายมันก็มีเกาะมีเกาะที่ตรงนั้นที่มีบ่อน้ามีมีแหล่งน้ำมันก็ทำให้แถวนั้นมีต้นไม้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีครบทั้งสี่สี่ธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเดีย๋ยวถ้าดวงอาทิตย์นี้ที่เป็นต้นตอนของธาตุไฟหมดไปโลกนี้ก็หมดเนี่ยร่างกายก็ตายกันหมดแต่มีโรคใหม่ ในในจั ก, กรวาลที่เราเห็นในท้องฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีโรคแบบนี้อีกเหรอหรือมีโลกนี้โลคเดียวเลยใช่ัหมมันต้องมีงั้นมนุษย์มันก็จะศูนย์พันเลยสัตว์มันก็จะศูนย์พันมันไม่ศูนย์เวลาเราไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกไหนเพราะมันเหมือนเหมือนกันเพราะมันต้องมีเต้น มันต้องมีดินน้ำลมไฟเหมือนกันมันถึงจะมีมนุษย์มีสารได้ชาติก่อนเราอาจจะไม่ได้มาเกิดบนโลกโลกนี้ก็ได้เป็นมนุษย์อีกโลกหนึ่งก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ใช่หไหมว่าเราเป็นโลกไหนกันเพราะมันโล ก, โลกแต่ละโลกมันห่างไกลกันแล้วกันไม่เคยติดต่อกันได้ก็เลยไม่รู้ว่ามีมีโลกอื่นหรือเปล่าก็เหมือนคนสมัยก่อนเนี่ย มองไปที่มองไปที่ทะเลก็ไม่รู้ว่าสุดขอบฟ้ามันมีอะไรหรือเปล่าคนก็ไม่กล้านั่งเรืออกไปไกลหนึ่งกลัวจะตกขอบฟ้าไปตกขอบทะเลไปคิดว่าโลกมันแบนเหมือนโต๋ใช่ไ mm hmm. เดี๋ยวนั่งเรือไปสุดขอบโตะ mm hmm. <laughs> มันก็ตกไป mm hmm. แต่มีคนใจกล้ามีคนคิดว่าเออมันไม่มันไม่แบนนะมันต้องกลมนะ mm hmm. เพราะดูดวงดาวแต่ละดวงทั้ง ตัวท้องฟ้ามันก็กลมมุ่นหมดนะถ้าไมมันจะมาแบนตรงนี้แบนอันเดียวได้ไงแล้วก็ดูเรือที่วิ่งเข้ามาจากฝั่งจากทะเลทําไมมันไม่เห็นพร้อมกันเลยถ้ามันแบนใช่ไหมทำไมมันเห็นเสากระโดงก่อนเทําไมเห็นธงก่อนก็แสดงว่ามันโค้งอถ้ามันโค้งแสดงว่ามันต้องกลมเพราะโลกความโค้งมันมันใหญ่นะ โรคมันใหญ่มันก็เลยโค้งเทเลนิตเทเลนิ อ, เ, นอเขาก็เลยเชื่อว่าไม่ตกขอบทะเลน่ะเขาก็เลยไปออกสำรวจกันก็เลยไปเจอทวีปใหม่ทวีปอเมริก ง, งอเมริกาสมัยก่อนไม่มีพวกยุโรปนี่ก็ไม่รู้ว่ามีทวีปใหม่เขานั่งเรือเขาไม่กล้นั่งออกไปไกลนั่งเรื อ, อ, อไปเพื่อไปหาปลาท่านจับปลา ไม่กล้าไปสูรขอบทะเลเดี๋ยวกลัวตกทะเลแล้วก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์นักคิดเนี่ยกาลิเลโอพวกชอบดูดาวเนี่ยสองกล้องดูดาวมองไปม่ไงที่ไหนมันก็กลมหมดอันนี้มันจะแบนเป็นโต๊ะได้ไนะนะก็เลยอ่ะแล้วพิสูจน์ดูดูทะเลก็เห็นว่าเรือมันเข้ามา มันไม่ได้ถ้ามันแบนมันก็ต้องเข้ามาพร้อมมันต้องเห็นพร้อมกันหมดเลยนี่มันเห็นไอ้ส่วนที่สูงก่อนทะนาพื้นมันต้องโค้งใช่ไหมเขาก็เลยพิสูจน์ได้ว่าโลกมันกลมแล้วเชื่อว่าถ้านั่งเรือออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาที่เดิมได้ถ้ามันกลมใช่ไหมนั่งไปตามทะเลเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาที่เดิมได้ เขาก็เลยคิดว่านั่งไปแล้วเดี๋ยวพอเจอเจอเจอเจอดินแดนก็จะเป็นเป็นจุดที่เขากลับมาครั้งแรกที่เขาไปเจอที่ทวีอเมริกาเขาคิดว่าเป็นอ mm ินเดียเพราะเขารู้จก mm ักอินเดียเขานั่งเรือไปทางอินเดียแต่ทางนี้ทางทะเลนี้เขาไม่รู้เขาคิดกลับไปถึงอินเดียละก็เลยเรียกพวกคนอนะินเดียน อันจิงมันเป็นทวีปใหม่ทวีปที่เขายังไม่เคยไปเห็นไปเคยเจอแต่ทวีปนั้นเขาก็มีคนอยู่แต่เป็นพวกคนปาน่าเหมือนพวกเราสมัยก่อนฝลั่งมาบ้านเราแล้วก็เหมือนคนปาน่าของเราเขาเราไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราไม่ได้พัฒนาไปทางนั้นนี่ก็คือเรื่องโลก เรื่องมนุษย์อต่ใจของมนันใจที่มามาได้ร่างกายของมนุษย์นี้ไม่ได้ตายไปกับมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรให้มนุษย์หรือสัตว์อยู่ได้ใจมันก็ไปอยู่โลกใหม่ได้แล้วมันมันไม่ต้องใช้ยาอาวกาศท่องไปยา น, นี้เพียงแต่คิดก็ถึงแล้วคิดถึงกรุงเทพนี่ถึงแล้วใจถึงไปแล้วร่างกายยังไม่ถึง ถ้าอยากจะให้ร่างกายถึงก็ต้องพาร่างกายไปอา่ใจมันไปถึงกรุงเทพก่อนแล้วดังนั้นใจมันไม่มีรูปร่างมันเลยไปเร็วกว่าร่างกายถ้ามีร่างกายอยู่อีกโลกหนึ่งต่านโลกนี้ไม่มีมนุษย์อยู่ไม่ได้แล้วใจมันก็จะไปอยู่โลกใหม่กันที่ไหนมีมนุษย์ที่ไหนมีสัตว์เดราาัจฉานมันก็จะไปเกิดกัน ไปเพราะความอยากใช่ไหมอ uh, ยัางอยากดูอยากฟังต้องมีตาหูจมูกนินกยย้นไก่ <c oughs> ถ้าโลกนี้ไม่มีมนุษย์ก็ต้องไปหาโลกที่มีมนุษย์หรือมีสัตว์อยู่ <c oughs> หรือไม่งั้นก็อยู่เป็นเทวดาไปก่อน <c oughs> ถ้าเป็นเทวดาก็ยังเสบรูปเสียงรูปทิบเสียงทิฟกลิ่นทิฟอยู่ <c oughs> เวลาเรานอนหลับเนี่ยเราเป็นเทวดา <c oughs> หรือเป็นเป็กันรู้ะแล้วแแล้วแต่ว่าใจเรา สุขหรกอทุกข์ถ้าฝันว่าหิวโหยอยากกินนู่นกินนี่ไปอดอยากขาดแคลนอยู่ที่ลําบากยากเยะนะ็นกำลังเป็นเปรตกันอยู่ถ้าฝันว่าได้ไปเที่ยวได้อยู่โรงแรมห้าดาวไปกินไปดื่มร้านอาหาร ว, วิเศษนะกําลังเป็นเทวดากันนะกําลังเสพรูปทริปเสียงทริปกันเนะตอนกลางคืนคที่เรานอนหลับตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกายแนละ้วจิตก็ไป จิตมันอยู่ในโลกทิพย์มันก็เลยต้องเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์แทนพอตอนนั้นร่างกายขอพักผ่อนไม่สามารถที่จะรับใช้จิตได้ใช่ไหมเวลาร่างกายเหนื่อยๆนี่มันไม่อยากจะทำอะไรนะมันอยากจะนอนจะบอกให้ไปเที่ยวต่อนนะไม่เอาไม่ไหวล้ให้ทำดูดูดูหนังต่อไม่ดูให้กินต่อไม่กินจะนอนอย่างเดียวตอนนั้นก็เหมือนกับร่างกายตายชั่วคราว อันนั้นเจตก็ยังหิวอยู่ยังอยากหิวก็เลยต้องไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ถ้าไม่มีบุญก็เลยเสพแบบเปรตหิวไม่มีไม่มีรูปทิพย์เสียงทิพย์ให้เสพแต่ถ้ามีบุญก็มีรูปทิพย์เสียงทิพย์ให้เสพถ้ามีบาปก็มีเรื่องรุนเรื่องร้อนแรงเรื่องรุนแรงเรื่องน่ากลัวหน้าหวาดเสียวน่ากลัวต่างๆไปฆ่าใครก็เนี่ยเดี๋ยวเวลานอนหลับ ม, มันก็จะฝันว่ามีคนมาตามฆ่าเรา ทำอะไรแล้วมันจะกลับมาหาเราฝันว่าเราไปช่วยคนนั้นไปทำบุญที่นั่นที่นี่เวลานอนหลับก็จะมีคนเอาอาหารมาให้เรากินมีคนมาช่วยรับใช้เราทำอะไรให้กับเราตอนเวลานอนหลับมันจะฝันเหมือนกับกระจกฝันฝันพลิกกัน mm hmm. แต่นี้เขาแต่นี้เราจะไปทำให้เขาเขากลับมาทำให้เราเราไปทำบุญเขาก็จะมาทำบุญกับเรา เราไปทำบาปเขาก็จะมาทำบาปกับเราเนี่ยตอนนอนหลับมันจะฝันแบบนั้นฝันตามบุญตามบาปที่เราทำกันอยูว่าจนักคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดอีกภพบนึ่ะทำไมเขาถึงจำสิ่งที่เขาทำไม่ดีได้เมือ่อวานนี้คุณยังทำไม่ได้เลยแล้วคุณจำได้ทุกวันหรือเปล่าคุณทำอะไรมาบ้างมันก็เท่ากับเราก็สร้างกรรมต่อไปเรื่อย มมตว่าเราทํากรรมไม่ดีกับอีกคนก็เราไปเจอเขาหนึพบหนึ่งแทนที่เราจะสำนึกเราก็ไม่สำนึกอก็ต้องมาเจอคําสอนของพระเจ้าที่สอนให้สำนึกไงสอนว่าอย่าไปทําเขาเขาจะทําอะไรเราก็คิดว่าใช้นี่ไปมันนึกไม่ได้มกัก็กลายเป็นทางบาปต่อไปเรื่อยใช่ไหมคะก็มันเนี่ยมันถึงต้อมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อ ย, อยมันถึงจะนึกได้มันนึกไม่ได้ก็ถือว่า มันเป็นผลของกรรมที่เราทำมาแล้วเราอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเพราะจองเวรจองกรรมมันก็จะทำให้เขาจองเวรจองกรรมเรามันก็ไม่มีมวันท<ม>เีเวรย่อมระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรย่อมระ ง, งับย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเนี่ยคำสอนของพระ เ, เจ้า ่อาตาต่อตาฟันต่อฟันเห็นไหมก็ดูหนังดูละครมันก็ยังสอนให้เราฟันต่อฟันตาต่อตาอย่างนั้นอยนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดก็มีไงเนี่ยมันพมุตตะเจ้าอย่างเงี้ยสิ้นสุดอย่างเราไม่เจอท่านก็คือจะต่อไปอย่างนี้อต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆขนาดเจอยังไม่ยอมทําตามเลยใช่ไหมเวลาโกรธแรงๆโมโหแรงๆลืมไปเลยฟันการไม่จองเวรเนี่ย ยาวแต่ฟันต่อฟันตาต่อตาเพราะธรรมชาติของจิตมันถูกอิเลสครอบงำอิเลสจะต้องมันจะต้องทําร้ายพูดใครมาทำร้ายมันมันจะต้องทําร้ายเขาโลกมันจึงไม่มีมันจึงไม่ปราศจากสงครามไหมเห็นไมสงครามอาหรับกับยิวเนี่ยมันสู้กันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว มีวันหมดไหมไม่หมดอ่ะมันก็สู้กันไปสู้กันมาอย่างนี้มันก็ระบาดไปยุโรประบาดไปอเมริกาเพราะเป็นพวกช่วยชกไปช่วยพวกยิวเนี่ยพวกที่พวกอาหรับมันไปทําสงครามที่อเมริกาที่ยุโรปก็พวกยุโรปพวกอเมริกาเป็นตัวพวกสนับสนุนพวกยิวไปยึดครองดินแดนของพวกอาหรับ ไปตั้งเป็นดินแดนของยูลไปโดยอ้างว่าในประวัติศาสตร์เป็นของยูมาก่อนเดี๋ยวเกิดครมาอ้างว่าตรงนี้เป็นของเขมรเนี่ยทำไมเดี๋ยวเกิดเขมรมันมีอานาจมันก็มาขอยึดคืนไปเลยใช่ไหมนี่มันก็อยู่ที่ใครมีกำลังเนี่ยถ้าอยู่ก็อยู่ถ้าอยู่กันแบบใช้กำลังมันก็ต้องทำสงครามกันนี้ไปเรื่อยๆปลาใหญ่กินปลาน้อย เดี๋ยวปลาน้อยมันใหญ่ขึ้นมามันก็กลับกินปลามันก็ผัดกันกินผัดกันสู้กันไปนี่คือโรคมันความหลงอวิชามันทำให้ไม่เห็นโทษของการจองเวรจองกรรมกันแล้วบ้านเมืองโลกนี้มันจะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความโลภมันความอยากได้ข้าวของเงินทองมันมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องทำสงครามกันก็ย เดี๋ยวน้ำมันไม่พอใช้เนี่ยมันก็ต้องไปแย่งกันนะเดี๋ยวมันขาดอะไรมันก็ไปไปลุกในประเทศที่เขามีกันไปซื้อซื้อไม่ขายหรือซื้อราคาแพงก็ทําสงครามเลยใช่ไหมมันก็โจรดีๆเนี่ยแหละพวกพหรังที่มันมายึดครองดินแดนทางเราบ้านเรานี่มันก็มันพวกมพวกโจรดีๆเนี่แหละแต่เรากลับไปยุ่งยองสรรเสริญว่ามันเป็นประเทศที่ วิเศษวิโสเนี่ย ม, ม, มันมายึดมันมายึดครอง Malaysia, อินเดียยึดครองมาเลเซียเบืองไทยมันยึดไม่ได้มีชหิทางเศรษฐกิจ อ, อย่างนั้นมันก็เอ า, เอาดินแดนไปได้บางส่วนเพราะเราฉลาดลเรายอมเสียส่วนน้อยมันมาท้าตีท้าต่อยเราก็ไม่เอาอพระเจ้าอยู่วัาท่านเคยบวชราชการที่ห้าท่านเคยบวชท่านมีคำสอนของพระเจ้า ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวิญญาณสละส่วนน้อยไปเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไป <Yeah. S 1> ถ้าเป็นคนมีกิเลสไม่ยอมเนี้ย mm hmm. สู้ต้องสู้เอสู้แล้วก็แ <Hey. S 1> พก้ก็ก็เอาไปหมด <Yeah. S 1> อย่างญี่ปุ่นมันเข้ามาก็ให้มันไปมึงอยากจะเข้ามาก็เข้ามา <laughs> เป็นพวกมึงไป <Yeah. S 2> ใช่ไหมพอญี่ปุ่นไปฝรั่งเข้ามาก็เป็นพวกฝรั่งต่อ <laughs> เราแบบว่าเป็นเหมือนต้นหญ้าไปตามลมลมพัดมาทางไหนก็ให้มันพัดไปเองนไปตามลมมันถึงไม่ลมมันถึงไม่พังนะถ้าเป็นต้นไม้แข็งๆใหญ่ๆมันไม่มันไม่เองนะลมพัดมามันก็ล้มไปทั้งต้นเลยอย่างนี้อย่างนี้มันจะมองได้ไหมครับว่าเป็กนการไว้ใจไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนก็ดาวตัวรอดกันทั้งนั้นนะ ใช่ไหมเราไว้ใจมันได้ป่ะเราไว้ใจพวกมหาอำนาจได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมมันดีเกินดีมันจะมันจะมาเขมือบเรามันก็เขมือบเราตอนนี้มันก็บอกว่าโอ้เป็นนิตรกันเป็นอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดมันอยากจะเขมือบเราเราจะสู้มันได้เหรอเรามันเป็นแกะอยู่ใต้ใต้เสือใต้พูมันจะก็จะคขมือบจะขมำแล้วเมื่อไหร่มันก็เอาละเราก็ลองทําใจดีสู้เสือไปในฐานะที่เราเป็นตัวเล็กกว่าเขาเยอะ ก็เลยพยายามเป็นมิตรกับทุกประเทศไว้เป็นมิตรกับจีนเป็นมิตรกับฝรั่งแต่ก็ยังมีสิ่งที่เขาไม่มีเขาไม่มีธรรมะเขาไม่รู้ว่าคนไทยนี่มีธรรมะคนไทยรู้ว่าไม่มีอะไรก็ไม่เสียหายอะไคนไทยรู้ว่ามีความสุขที่ดีกว่าจากการมีอะไรมีนิพพานเนี่ยคน คนไทยเรามีนิพพานเป็นสมบัติฝรั่งต้องมาขอสมบัติจากคนไทยเนี่ยบนเขาเนี่ยมีฝรั่งมาอยู่ต้องหลายคนมาขออะไรมาขอนิพพานรู้ใช่ไหมอย่า้นี้ก็จะมาเลยบนเขานี่มีอะไรเขาอ่ะแต่เขาไม่ต้องการนิพพานเขาจะมาทําไมเนี่ยเขาต้องการนิพพานเขาก็เลยมาอยู่แบบไม่มีอะไรแล้วไม่ไม่มีอะไรตรงนนี้กับแต่กับเป็นจุด ดึงดูดให้เข้ามากันเพรากกับชอบตรงนี้ว่าบนเขานี่มันดีไม่มีอะไรเงียบดีสงบดีเนี่เราพยายามเบรกการก่อสร้างการทำอะไรต่างๆคนนั้นจะมาให้ทำนู่นทำนี่เราไม่ทำอนะเดี๋ยวทามันก็ธรรมาชาติก็หายไปหมดอนะเดี๋ยวปลูกตรงนี้ปลูกสาลาปลูกอะไรขึ้นมาเอกเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้มันก็ต้องตัดทิ้งไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเหมือนข้างล่างไป อันนี้มันไม่เหมือนข้างล่างมันมีต้นไม้มีอะไรมันมีบรรยากาศของธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อความสงบของใจเกื้อกูลต่อพระนิพพานดูพระพุทธเจ้าได้นิพพานที่ตรงไหนใต้ขคนต้นโพใช่ไหมอ่าพระสาวกต่างหลายนี่ก็อยู่ในป่าแค่นั้นไม่อยู่ในป่าก็อยู่ในถ้ำ อยูที่เงียบที่สงบอะท่านก็ให้ปลูกต้นไม้นะคะท่อาอให้ดูแลต้นไม้ปลูเยอะๆซีดันบอกใช่ต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นที่จะทําให้เกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยประเทศเรามีของมีค่าแต่เรากลับไม่พวกเรากลับไม่เห็นค่าของมัน เป็นนั้นไก่ได้พลอยกันชอบไปเอาตัวหนอนตัวไส้เดือนเไปกุดชี้อย่างเงี้ยชาแนวอย่างเงี้ยพวกเนี้ย <c oughs> ตัวหนอนตัวไส้เดือนทั้งนั้นเสื้อผ้าชุดละหมื่นสองหมืนโอ้ใส่กันได้เอเสื้อผ้าจัตุจักนี่ชุดละสองสามร้อยใส่กันไม่ได้ต้องหาเสื้อผ้าสักสองสามหมื่นมาใส่แล้วโอ้ใส่เอา่าใส่เพชรใส่เพชร ส, สักแสนสองแสนล้านสองล้านเนี่อ่า ออกงานแล้วโหน่าเสกวิเศษวิโสโถมันก็ก้อนหินดีๆนี่แหละใช่หไหมจะเป็นอะไรวะให้ให้นกแก้วมันยังไม่เอาเลยมันล้องแก้วจา๋าแก้วจา๋าหยิบเพชรให้มันมันโยนทิ้งหมดเนะมันยาดากล้วยจา๋ากล้วยจ๋ามากกว่า <c oughs> <c oughs> นะพวกเรามีของดีของวิเศษนะ ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีของวิเศษนี้รัสดุของเราเป็นประเทศที่มีมากที่สุดประเทศอื่นถึงแม้จะมีก็มีน้อยมียากคือไม่มีผู้ปฏิบัติไม่มีผู้บรรลุธรรมเหมือนกับในเมืองไทยเราเนี่ยเมืองไทยเรานี่มีผู้บรรลุพระนิพพานมากที่สุดในโลกไงถ้าก็ทำสถิติรับรองได้แล้วว่าเมืองไทยนี้มี คนนรรลุนิภานได้มากที่สุดมีพระอริยะบุคคลมากที่สุดมากกว่าประเทศต่างๆแต่เราไม่เห็นคุณค่าเหมือนไก่ได้พลอยได้พลอยก็เขียทิ้งเขียทิ้งแล้วก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าชันแนลชื่อเสื้อผ้าแบรนด์เนมโทรศัพท์แบรนด์เนมต้อง p อ o n e ถ้าเป็นของจีนของเทียมเนี่ยใช้ไม่ได้ มันก็ใช้ได้เหมือนกัน p h o n e มันก็ทำมาจากเมืองจีนใช่ไหมมันก็ติดป้าย iPhone ของจีนมันก็ทำมาจากเมืองจีนดีไม่ดีจากโรงงานมันเดียวกันแล้วก็มาขายยี่ห้อหนึงถูกกว่าเยอะแยะกับไม่เอาเถอกันเถือตามฝรั่งฝรั่งชอบตัวนอนตัวท่ายืนเราก็เหอือนตามฝรั่งชอบกาแเราก็ชอบตามมัน หลังชอบจูบกันกลางแดดกลางแจ้งแก้พุงแก้ผ้ากันเราก็จะชอบทําตามเข้ากันคิดว่าทำแล้วเท่ใช่ไหมแล้ว mm hmm. ก็ทำแบบทำแบบสุนัขดีๆนี่เองทำแบบสัตว์เดรัจฉานดีๆนี่เงเป็นมนุษย์ดีๆไม่ชอบชอบไปเปื้องผ้าอยู่แข่งกับเดรัจฉานเนี่ย mm hmm. เดรัจฉานไม่มีเสื้อผ้ า, สาใส่หรอวะมันจะกอดกันมันจะจูบกันที่ไห น, นมันก็ทํากันใช่ไหม มนุษย์มันยังมียางอายามากของพวกนี้มันเป็นของต่าของเดรัจฉานแต่เราไม่อยากเราไม่อยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราก็เป็นเหมือนเดรัจฉานเราก็เลยแอ บ, บทำกันในบ้านในห้องแต่สมัยนี้เขากลับว่าเอามาประกาศให้ชาวบ้านก็เห็นนยิ่งดีเท่ใจกล้ากล้ากับกิเลส ไม่ไม่กล้ากลับทำวันนี้ไม่ไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยตามใจฉันบ้างแ่ะไม่มีคนมาเยอะก็เลยคุยแบบสบายสบาย อยู่ชั้นพรมแล้วเดี๋ยวจะพลาดตอนสิ้นพุทธกาลถึงว่าตอนสิ้นพุทธกาลที่ที่ว่าจะมนพระพลาดของพระองค์งใครก็ปฏิบัติเพื่อพระทานตุบ้างบ้าหรือเปล่ากขาปฏิบัติเพื่ออนิพาณเดี๋ยวนี้ชาตินี้วันนี้ใครมาสอนนี้ก็อย่าไปฟังใครพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ปฏิบัติเพื่อพระทานเท่าไหน่ ถือว่ามีโอกาสที่จะไปไม่ต้องโอกาสมันมันหลุดพ้นชาตินี้เราจะไปรออะไรครับโอกาสจะได้หลุดพ้นชาตินี้กับแม่เอาจะไปรอชาติหน้าบ้าหรือเปล่ามีรถมารับให้ขึ้นแล้วมาไม่เอาเดี๋ยวรอรถคันสุดท้ายเขาบอกว่าเขาก็เอาอะแต่ว่าเขาปวดบาไม่มันมันขี้เกียจมันไม่อยากจะทําไม่แห่ไรหรอกเรื่องๆมันขี้เกียจมันก็อ้างนู่นอ้างนี่ไป แต่ท่าทำก็ถึงใช่ัหมอ้าวเจ็ดวันหกเดือนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่ท่านพระพุเจ้าก็รับรองแล้วมาจากที่ไหนกันข่าวดสุดๆข่าวดีสุดๆอ๋อมากันกี่คนน่าจะรู้เยอะเราก็รู้ไม่รู้หรือมาด้วยกันกี่คนประมาณสามสิบสา3สิบแปด เวชศาสตร์เขตร้อนภาษาอังกฤษก็เลยนะ Tropical Medicine ใช่ปะช่ะเกี่ยวกับโรค ท, ทางทางเขตร้อนนี่เ ช, ช่ น, นโรคอะไรอหิว า, า, วาโรคอะไรพวกนี้อฮิวามาเลย์เรียโรคไข้ยาโรคเกิดทุกชนิที่ไม่ต้องผาตัดอ๋อที่ไม่ต้องผาตัดที่เกิดจากเชื้อโรค รวมถึงซิกการ์อะไรด้ยพวกนี้ด้วยเปล่าซิกการ์อยู่ด้วยร่าง อ, อยู่ที่ตรงไหนนะ อ, ออ น, นุสรีชัยสมรภูมิค่ ะ, ะถนนราดพิทีมีนักศึกษาเยอะไหมก็พอสมควร เ, เป็นระดับระดับปริญญาโทหรือตีหรือว่าปริญารร ญ, ารญาโทรปริญญาเอกค่ะปริญญาโทปริญญาเอก ต้องจบอะไรมาถึงจะมาต่อไนี่วิทยาศาสตร์เนี่ยจบวิทยาศาสตร์จ บ, จบแพทย์จบอะไรก็มีผู้ช่วยพยาบาลแล้วจบแล้วไปทำทำงานที่ไหนแล้วแต่ได้ทุนมาก็กลับไปที่สังกัดเดิมถ้าไม่ได้ทุนก็ถ้าได้ทำงานที่เว็บไซต์อะก็ทำตามทำตามลรงพยาบาลก็ได้ ใครเป็นหัวหน้าแล้วมีใครเป็นหัวหน้าบ่ะงคอาจารย์แทมีผิสุธิธรมคขออภัยด้วยนะไม่ไม่เห็นหน้าเลยคุยกับคนอื่นเได้มีโอกาสมาค่ะเอคุณหมอที่ศรีราชพี่ลุงพิบัลสมเด็จนศรีราชที่แนะนมาค่ะงให้ให้น้องมามาถามข้าวจงแม่สอง่างวัดที่แล้วค่ะอ๋มาครั้งนึ่ง มาครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่จำไม่ได้ค่ะมาคันสองคมค่ะแล้วเพนวันนี้เลยมาตั้งใจว่าจะมาฟังเทศน์าจารย์แล้วก็แต่ขอว่าเป็นหนึ่งความดีถวายในองค์ไม้หนู่มโดชาวพี่เก้าค่ะดีทำประโยชน์ทำบุญฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้มีธรรม นำทักนำพาชีวิตใารต้องการหนังสือขึ้นมาหยิบเกันนะขึ้นมาหยิบกันเลยมีหนังสือซีดีแจกมีทอแม่ว่าถ้าเอาไปแล้วต่องเอาไปอ่านนะเอาไปแล้วลเอาไปเก็บก็ย่าอย่าเอาไป<อ>ที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนหนังสือนี้เป็นเหมือนหนังสือให้ไปเรียนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการบ้านเอาไปอ่านเป็นการบ้าน ว่าเราจะต้องเจอข้อสอบในอนาคตข้อสอบของเราก็คือความทุกข์ต่างๆแล้วถ้าเราทำการบ้านเราก็จะทำข้อสอบได้เราก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้แล้วเอาไปอ่านนะเป็นการบ้านนะถ้าเอาไปแล้วไม่อ่านสอบตกนะ <c oughs> เ, ออเวลาทุกข์มันยันดับไม่ได้นะเมื่อกี้นี้บอกว่ามีหลักสุตรโทรกับเอกเลยนะ โถก็สองปีเอก็อีก5ปีเลยไม่ถึงเพิ่มเติมก็ไม่ถึงี่งพวกเราศึกษาเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บของทางร่างกายพอเรารู้ว่ามันเวลามีโรคแล้วมันไม่สบายก็ต้องรักษาถ้าเรา ร, รู้ต้นเหตุของโรคว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราสามารถกําจัดต้นเหตุนั้นได้โรคมันก็หายไป งั้เวลาเกิดโรคเราก็ต้องดูว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรเชื้อโรคชนิดไหนเราก็หายาชนิดไหนมารักษามันใช่ไหมพอได้ยาที่ถูกกำลุคมันเชื้อโรค ก, ก็ตายไปโรค ก, ก็หายใจของพวกเราก็เป็นเหมือนร่างกายเป็นอีกคนหนึ่งเรามีสองคนในตัวเ ร, นะเรามีร่างกายที่เป็นเป็นลูกน้องมีใจเป็นเจ้านาย ส่วนใหญ่เราลืมดูแลตัวเจ้าในไปดูแลตัวลูกน้องกันไปดูแลเรื่องของร่างกายกันหาอยู่หายาหาอะไรต่างๆมารักษาร่างกายกันแต่เราลืมมารักษาใจของเราใจเราวุ่นวายใจเราทุกข์ไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่มีไม่มีการดูแลรักษาใจเหมือนกับดูแลรักษาร่างกาย เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาบางทีก็ไม่รู้จักวิธีดับมันเพราะเราไม่ได้ศึกษาวิธีดับความทุกข์ใจกันเราบางทีแก้ก็แก้ผิดแทนที่จะไปแก้ที่ต้นทาลายทาลายเชื่อโลกกลับไปส่งเสริมชื่อโลกเชื่อโรกของใจที่ทําให้ใจทุกข์นี่คืออะไรกิเลสตัณหาเนี้ยความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเนี่ย เวลามันโผล่ขึ้นมานิจใจเราสบายไหมเวลาโกรธนีจใจเราสบายไหยกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาโลกระสบายไหมอยากจะได้นู่นได้นี่เวลาอยากเนี่ยเวลาโลกเนี่ยเวลาโกรดนี่ยใจมันวุ่นวายไปหมดแทนที่เราจ ะ, ะหายา ม, มาทําลายความโลภความอยากเรากลับไปสนับสนุนความโลภความอยาก ด้วยการไปทําตามความโลภความอยากอยากได้อะไรก็ไปหามาพอหามามันก็ทาให้ความอยากมันสงบตัวชั่วคราวพอได้อะไรมาก็ดีใจกันใช่ไหมดีใจกันเดี๋ยว<ๆ>เดียวเดี๋ยวก็อยากได้ขึ้นใหม่แล้วเราอยากจะได้มากกว่าเก่าเคยได้ยินคำว่าได้ขึก้ก็อยากจะได้สอบไหมได้สอบก็อยากจะได้วาไห อันนี้แหละเป็นการแก้ปัญหาของพวกเราแก้ด้วยการทำตามความอยากความอยากมันก็เลยขยายตัวใหญ่ขึ้นไปเหมือนกับสมัยนี้ที่เราใช้ยาฆ่ายาปฏิชีวนะกฆ่าเชื้อโรคเนี่ยฆ่ามันไม่ยอมตายมันกลับดื้อยาใช่ไหมมันกลับ <laughs> แปลงพัน์มันกลับทำให้รักษายากขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรา แก้ปัญหาความไม่สบายใจของเราด้วยการทําตามความโลภทําตามความอยากมันจะไม่หมดเพราะมันจะมีความโลภความอยากตัวใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นกระเป๋าก็อยากได้พอซื้อกระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวเห็นรองเท้าเลยก็อยากได้รองเท้านะเดี๋ยวเห็นเสื้อผ้าก็อยากจะไดนะ้ได้เห็นอะไรพอชอบปั๊บก็อยากได้ขึ้นมาแล้วมันหมดไม้มพอพอได้มาแล้วมันจะพอไหมไม่พอใช่ไหม เสื้อผ้าเราจึงเต็มตู้ไะมรองเท้าไหมเต็มไหมข้าวของเต็มบ้านไหเพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ปัญหามเราไม่ได้ไปทำลายความอยากถ้าเราทำลายความอยากนี่ต่อไปความอยากมันจะไม่มีเราก็อยู่เฉยๆอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เฉยๆได้ตอนนี้เราไม่มีความอยากเราไม่ตายใช่ไหมเราสบายกว่าไหมพอเกิดมีความอยากขึ้นมานี่เป็นยังไง โกรนเห็ตนำคานใจขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ใครมาใครมาขัดขวางเรานี่ก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดพอเกิดความโกรธแล้วก็เลยไปมีเรื่องมีราวกับคนที่ทําให้เราโกรธเนียเดี๋ยวก็กลายเป็นสงครามันขึ้นมาเนียปัญหาเกิดจากการที่เราไม่มาหยุดความโลภหยุดความอยากกันพราะเราไม่รู้ว่านี่คือต้นเหตุของปัญหา แล้ววิธีที่จะแก้ปัญหาก็ต้องทำลายความโลภความอยากไม่ใช่ไปส่งเสริมความโลภความอยากด้วยการทำตามความโลภความอยากนั้นท่านพระเจ้าท่าสอนให้ใช้หลักเหตุผลเวลาจะอยากได้อะไรให้ถามว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้จาเป็นไหมถ้าไม่ได้มาเราเราจะตายไหมถ้าไม่ตายก็อย่าเอามาแสดงว่าไม่จาเป็นเช่นกระเป๋าใบใหม่นี้จาเป็นไหม ้องเท้าคู่ใหม่จำเป็นไหมถ้ามีอยู่คู่เดียวแล้วคู่เก่ามันมันชำรุดแล้วใส่ไม่ได้แล้วอันนี้จาเป็นก็ซื้อมาได้ถ้าอยากจะได้อะไรให้มันใช้เหตุผลใช้เอามาตามเหตุตามผลแล้วมันจะมันจะไม่กำจัดแต่มันก็จะลดกำลังของความอยากลงท่านบอกให้ใช้หลักของมักน้อยสันโดษ หลักน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นเรามีรองเท้าเรามีเท้าอยู่คู่เดียวทำไมเราต้องมีรองเท้าสิบคู่เวลาเราใส่นี่เราใส่กี่คู่กันใส่สิบคู่หรือใส่คู่เดียวอีกเก้าคู่ไปทําอะไรก็จอดไว้เฉยๆใช่ไหมแ้่ทำไมต้องเปลี่ยนมันด้วยมันต่างกันตรงไหนรองเท้ามันก็รองเท้าเหมือนกันรองเท้ามันมีหน้าที่ไว้ทําอะไรไว้รองเท้าหรอกใช่ไหม ว่าเราเดินจะได้ไม่เจ็บเท้า้จะได้ไม่เท้าจะได้ไม่สม ก, กับปกนั่นคือหน้าที่ของรองเท้าแล้วมันจะเป็นสีแดงสีเขียวมันจะทรงไหนมันมันต่างกันตรงไหนมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันแลว้วเวลาใส่ก็ใส่ได้ทีละคู่เหมือนกันแ้่มีคู่เดียวก็พอนี่เราถ้าเราบวชมานี่เรามีรองเท้าคู่เดียวมาตลอดเนี่ยไม่ก็มีรองเท้าเปลี่ยนเลยก็อยู่ได้ไม่เห็นเดือดร้อนะ แต่รองเท้าคู่เดียวพ่อมีเท้าอยู่คู่เดียวไปไหนก็ไปกับมันคู่เดียวจีวานก็มีชุดเดียวก็พอจะไปใส่กันกี่ชุดจะมีไ ก, กี่ชุดทําไมเนี่ยมันก็ร่างกายมีร่างกายอันเดียวเสื้อผ้าทำไมต้องมีเป็นสิบเป็นเป็นร้อยชุดขึ้นมาอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทําตามความอยากนล้วมันพอไหมก็มยังไม่พอเดี๋ยวเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่แขวนอยู่ในร้านก็อยากได้ แล้วพอไม่ได้ก็เสียใจนี่แหละเราเราไม่กำจัดต้นเหตุของความเสียใจความทุกข์ใจกันก็คือความอยากกันพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เราหัดใช้หลักเหตุผลหลักของมากน้อยสันโดษเนี่ยที่เรามาทำบุญนี่เพื่อจะถวายให้ในหลวงใช่ไหมในหลวงท่านสอนให้เราทำอะไรเศรษฐกิจพอเพียงใช่ เศรษฐกิพอเพียงก็มักน้อยสันโดษนี่แหละให้มีเท่าที่จําเป็นก็พอเพียงนะมีรองเท้าคู่เดียวพอไหมพอใช่ไหมทำไมต้องมีหลายคู่ถ้าอยากจะบูชาพระคุณของนายหลวงต้องปฏิบัติบูชาการบูชาพระคุณที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติการบูชาด้วยเครื่องสักการะนี่เป็นการแสดงความคารวะท่านั้นเองความเคารว แต่ยังไม่ได้บูชาอย่างแท้จริงเพราะว่าเจตนาลมของในหลวงนี่ต้องการให้พวกเรามีความสุขกันและความสุขของโมเราจะเกิดจากการปฏิบัติตามที่ท่านสอนคือการมีความมักน้อยสันโดษเนีจะทำให้เราอยู่อย่างสบายเงินทองจะเหลือใช้จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองเราจะมีเงินเก็บไว้เผื่ออนาคตแต่ ถ้าเราไม่มีความมากน้อยสันโดษมีเท่าไหร่ก็ไม่พอพอความอยากเห็นอะไรแล้วมันอยากได้แล้วพอมีเงินมันก็ฝืนกำลังความอยากไม่ได้มันก็จะไปซื้อของที่เราอยากได้แล้วยิ่งสมัยนี้ซื้อแบบเงินผ่อนด้วยซื้อมากกว่าที่เรามีแล้วเราเลยมีหนี้สินพลุนพลังไปหมดมีความกังวลว่าจะจ่ายหนี้สินอย่างไรกัน ก็เลยทำมีความกดดันให้เราต้องหาเงินหาทองกันเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องหางานเพิ่มหรือถ้าอยากจะหาง่ายๆเร็วๆเยอะๆก็หาโดวยวิธีทุจริตกันแล้วก็จะมีปัญหาตามมามีโทษตามามาต่อไปเนี่ยความไม่มักน้อยสันโดษมันจะพาให้เราไปสู่ความหายะนะไม่ใช่ไปสู่ความเจริญ ความเจริญอยู่ที่การอยู่แบบมากน้อยสันโดษเพราะเราจะไม่เดือดร้อนเราจะมีเงินเหลือเฟือที่เราจะได้เอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นร่างกายของเรานี้ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปเสื้อผ้าเข้าของต่างๆที่เราซื้อมานี้มันช่วยเราไม่ได้ช่วยร่างกายเราไม่ได้แต่เงินทองที่เราเก็บไวน้นี่ช่วยเราได้ ถ้าต้องซื้อยาก็มีเงินซื้อยาถ้าต้องซื้ออาหารซื้ออะไรเป็นของที่จาเป็นต่อร่างกายเราก็จะมีเงินทองซื้อได้แล้วใจเราก็จะสบายไม่ไม่เครียดกับการมีหนี้มีสินไม่เครียดกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สถิทีเพราะถ้าเราไม่กำลาบความโลภความอยากต่างๆนี้มันจะ มันก็อยากจะซื้ออยากจะใช้เงินอยู่เรื่อยเพราะมันเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขประเดียวประดาวความสุขขณะที่เราได้ใช้เงินซื้อเงินซื้อของต่างๆพอใช้หมดแล้วความทุกข์ก็ตามมานะ้วเงินไม่พอใช้แล้วจะทำยังไงความวิตกกังวลต่างๆก็เกิดขึ้นมานี่คือหลักของการรักษาใจของเรา ให้อยู่กันอย่างมีความสุขในระดับของผู้ครองเรือนแต่ยังมีความทุกข์อยู่ยังทุกข์กับเรื่องอื่นอยู่เรื่องที่เราแก้ไม่ได้ก็คือเรื่องของร่างกายเราร่างกายเราเหลือต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องของร่างกายนี้เราต้องปฏิบัติทำสูงขึ้นไปกว่าที่เราปฏิบัติความมากน้อยสันโดษดนี่มันมันสู้ไม่ไหว เราต้องไปฝึกจิตไปทาจิตให้สงบให้ได้ถ้าจิตเราสงบแล้วเราจะสู้กับความแก่ความเจ็บความตายได้ใจเราจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะความทุกข์ของของใจนี้ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเกิดความอยากขึ้นมาใจจะทรมานเชื้อโรคเกิดนะ พอเกิดความอยากนี้เหมือนกับมีเชื้อโรคในร่างกายแล้วมีเชื้อซิก้าเข้าไปแล้วมีเชื้อเอชเข้าไปแล้วพอมันเข้าไปในร่างกายมันก็เริ่มไปสร้างอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกายฉันได้พอเกิดความอยากขึ้นมาในใจนี้ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีพอคิดถึงความแก่ก็ทุกข์แล้วเพราะไม่เพราะอยากไม่แก่กันนะมีใครอยากแก่มั้งไม่มีใครอยากแก่เพราะนี้นคือก็ต่อไปตัวเองจะต้องแก่นี้รู้สึกยังไง ไม่ชอบไม่สุขไม่สบายใจเล ย, เลยพยายามไม่คิดถึงมันพอไม่คิดถึงมันมันก็เลยมันกับโยนปัญหาให้มันห่างออกไปถ้าเราคิดีเรื่อยเรื่อยเราจะได้รู้ว่าเรามีปัญหาเราเราจะได้รีบมาแก้เราจ ะ, จะได้มาค้นค้าว่าทำไมเราต้องต้องทุกกับความแก่ทำไมเราต้องทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมเราต้องทุกกับความตาย ถาเรามาศึกษาคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าให้เราแล้วบอกว่าเกิดจากความอยากของเราเนี่เองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆอยากจะสวยอยากจะงามไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้แหละแต่มันเป็นไปได้ไหมธรรมชาติของร่างกายมันก็ต้องแก่ไปเรื่อยๆแล้วก็เจ็บไปเรื่อยๆแล้วก็ตายไปเรื่อยๆยัน <c oughs> เรามาศึกษาว่า ความไม่สบายใจของเราเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วก็มาหยุดมันแค่นี้เองมายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายมันก็จะไม่ทุกข์แล้วอย่าไปยอมผมอย่าไปดึงผิวแสดงว่าไม่ยอมนะยังยังไม่ยอมแก่ถ้ายอมแก่ก็ปล่อยมันสิมันจะมันจะหงอกก็ปล่อยมันหงอกไปมันจะเหี่ยวเอ่าอ่มันสวยได้กี่วัน มันสวยได้กี่วันเดี๋ยววันขีอ่อีกะเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆแล้วก็ทุกข์ใจไปเปล่าๆ <c oughs> ถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วใจจะไม่ไม่ทุกข์แต่จะยอมได้ต้องทําใจให้สงบถ้าไม่สงบนี่มันไม่ยอมกิเลสไม่ยอมกิเลสมันกลัวความสงบมันถึงไม่ยอมให้เรามานั่งสมาธิกันเพราอถ้านั่งสมาธิแล้วกิเลสตาย กิเลสมันไม่อยากตายยาของยาที่จะมาทําลายความอยากทำทำลายกิเลสเชื้อโรคของใจก็คือธรรมโอสถคือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาให้รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากไอ้เชื้อพวกนี้เกิดจากความอยากต่างๆถ้าต้องการที่จะกําจัดเชื้อพวกนี้ก็ต้องนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกัน พอใจสงบแล้วเชื่อก็หยุดทํางานใจก็จะสบายเวลาแก่ก็สบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายเวลาตายก็สบายเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตายตัวร่างกายเองมันไม่มีตัวรับรู้ตัวรับรู้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจอยู่อีกตัวหนึ่ง แต่ตัวที่รับรู้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแต่กลับไปทุกแทนตัวที่เจ็บที่แก่ที่ตายคือร่างกายเพราะไปหลมคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายก็ ode. เราทุกคนนี่คิดว่าเราเป็นร่างกายกันทั้งนั้นใช่ไหมเคยคิดรู้ป่าว่าเราเป็นใจกันเคยคิดรู้ป่าวว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันเป็นของใครกันเนะี่ยของพ่อของแม่ไม่ใช่เหรอเราร่างกายนี้มาจากใคร ถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราจะมีร่างกายนี้ได้หลแล้วเรามาจากไหนเราก็มาจากร่างกายอันเก่าร่างกายอันเก่าที่เรามีมันตายไปเราก็เลยต้องออกจากร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดพอมาเข้าร่างกายเราก็เรียกตัวเราว่าเรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดเป็นใจปผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจะมาที่นี่ได้ก็ต้องผู้รู้ผู้คิดสั่งก่อน ตอนนี้ต้องคิดว่าจะมาที่นี่ใช่ไหมถ้าไม่คิดมันจะมาได้ไหมร่างกายคิดเองไม่เป็นร่างกายไม่มีความคิดร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าไม่มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้เรียกว่าใจเป็นอีกตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งถึงบอกว่าเรามีสองคนในในในในตัวเราเนี่ยมีมีมีเจ้านายกับมีลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ร่างกายนี้เป็นลูกน้องเราได้ร่างกายนี้จากพ่อจากแม่มาเราเสียร่างกายอันเก่าไปเราก็เลยมารอคิวมารอดูว่าใครสร้างร่างกายอันใหม่พอมีใครก็สร้างร่างกายใหม่แล้วก็ไปขอจับจองเป็นเจ้าของแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าร่างกายันใหม่นี้เป็นตัวเราเราเลยจึงทุกข์กับร่างกายแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนของท่าเจ้า แล้วเราแยกออกแยกแยกใจออกจากร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายวิธีแยกก็ต้องทําใจให้สงบนั่งสมาธิใจสงบแล้วใจก็จะแยกออกจากร่างกายแล้วใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้จะไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่แก่พอไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็หายจากความทุกข์ต่างๆ เหมือนกับถ้าเรากาจัดเชื้อซิก้าได้จำกัดเชื้อเอชได้นั่งกายก็ปลอดภัยถ้าเราอยากจะให้ใจเรามีความสุขปลอดภัยจากภัยคือความทุกข์ต่างๆเราต้องมาเจริญธรรมะกันสร้างธรรมโอสถกันด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันศีลก็ต้องรักษาเพราะถ้าเราไม่มีศีลเราจะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรม นี่คือศินแปดขึ้นไปสินห้าไม่พอศินห้ายังไปเที่ยวได้เราต้องหยุดเวลาเที่ยวหยุดเวลาหาความสุขทางร่างกายเพื่อเราจะได้มีเวลามามาสร้างธรรมโอสถมาสร้างยาที่จะมากําจัดเชื้อโรคของใจมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นการสร้างสร้างยารักษาโรคใจสมาธิกับปัญญาสมาธิจะหยุดกิเลส ปัญญาจะฆ่ากิเลสปัญญาจะบอกว่านี่คือเชื้อโลคเชื้อโลคที่ทําให้เราทุกข์เราต้องทําลายมันการทําลายก็คืออย่าไปทําตามมันมันอยากก็อย่าไปทําอยากไม่แก่ก็หยุดมันอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หยุดมันไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปดึงผิวไม่ต้องไปดึงผิวไม่ต้องไปเสริมความงามต่างๆอยู่แบบธรรมชาติร่างกายมันเป็นธรรมชาติเหมือนต้นไม้ อยู่แบบธรรมชาติเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันป่วยไปถ้าเราไม่อยากไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บแล้ว อ, อยากให้มันหายแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปตายแล้วสบายไม่ต้องมีมันไม่ต้องมาคอยดูแลรักษามันไม่ต้องคอยเลี้ยงดูมัน ก่าง น, นี่ชีวิตเราส่วนใหญ่นี่หมดไปกับการเนี่ดูร่างกายของเรานี่แหละถ้าไม่มีร่างกายก็สบายนี่แหละคือวิธีที่เราจะมากำจัดความทุกโลกภายไข้เจ็บของละของจิตใจของพวกเรามีเชื้อโรคสามตัวกามตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่าความอยากในกามกามคุณห้า การมงคณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโภชนาเราชอบดูกันไม่ใช่หรือชอบฟังกันไม่ใช่หรอชอบดื่มชอบลิ้มรสนมกลิ่นกันเราต้องตัดความอยากเหล่านี้ไปแล้วก็ความอยากมีอยากเป็นอยากสวยอยากงามอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือเรียกว่าการภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาอยากรวยอยากสวยอยากเจริญก็รีประภาวะตัณหา วิภาวะทันหาก็คือความอยากไม่ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เสื่อมอันนี้มันห้ามไม่ได้ของต่างๆในโลกนี้มันเป็นของคู่กันมีจเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับให้ศึกษาความจริงแล้วเราจะได้ไม่ไปฝืนเหมือนอยากไปอยากให้มันเป็นที่เป็นไปในในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ตอนเราไม่ไปอยากกับเขาแล้วเราก็สบายเขาจะเจริญนึกเขาจะเสื่อมก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเพราะเรากําจัดเชื้อโรคที่ทําให้ใจเราทุกข์ได้คือความอยากทั้งสามประการนี้การมรตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาถ้าไม่มีเชื้อโรคในใจสามตัวนี้แล้วสบายพระพุทธเจ้านี่ท่านท่านเรียกว่าท่านปรมังสุขขังนิพานนี้แปลว่าใจที่ได้รับการ กำจับเชื้อโรคทั้งสามตัวหมดไปจากใจนิพานไม่ได้เป็นสถานที่ น, ะนิพานเป็นใจของพวกเรานี่ยเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอาไปซักซักเรานั่นก็สะอาดใจของเราตอนนี้โสโคร ก, ก, กหรือเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเชื้อโรคคือการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาปัญญาคือธรรมโอสถศีล ส, สมาธิปัญญามาทําลายมันพอทําลายมันหมดปั๊บ ก็ไม่มีเชื้อท่าอยู่ในใจต่อไปเชื้อโรคไม่มีแล้วความทุกข์ก็จะหมดไปก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันหมดนะแต่ตอนนี้มันต้องมาทุกข์กับการทำตามความอยากต่างๆพออยากอยากอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นแล้วก็ต้องมามีร่างกายพอจะดูรูปได้ต้องมีตา ฟังเสียงได้ต้องมีหูดึต้องมามีร่างกายกันเอามีร่างกายก็ต้องมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ก็ไม่เข็ดพอร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่อย่างนี้ท่านยังเรียกว่าเวียนไหว้ตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ไปศึกษาที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เขตร้อน เราก็จะสามารถไปกาจัดเชื้อโรคต่างๆเนี่ย พ, พุทธศาสนานี่ก็เป็นวิทยาลัยที่รักษาโรคโรใจกันถ้าเรามาศึกษาแล้วมาปฏิบัติได้เรียนจบปับ๊บเราก็จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บทาง จ, จิตใจใจเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทาให้ใจเราทุกข์ ใจของเราทุกข์เพราะความอยากของใจเองพอเรากำจัดความอยากของใจด้วยธรรมะโอสถคือศีลสมาธิปัญญาได้แล้วความทุกข์ก็จะไม่มีอยู่ในใจต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายนี่ท่านไม่มีความทุกข์อีกต่อไปตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ใจของท่านก็ยังอยู่แต่ว่าท่านไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายท่านจึงไม่สามารถติดต่อกับพวกเราได้เพราะพวกเราต้องมี ร่างกายทีนี้ติดต่อกันได้แต่เราไม่รู้ว่าท่านยังอยู่กันเราคิดว่าท่านตายไปแล้วศูนย์ไปแล้วหายสาบศูนย์ไปแล้วท่านไม่หายท่านก็เหมือนใจของพวกเราต่างมันตรงที่ใจของเรายังหิวยังมีเชื้อโรคอยู่ยังทุกข์กันอยู่จึงต้องมามีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําลายเชื้อโรคที่มีในใจของเราให้หมดไปพอไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไป พอไม่เกิดก็หมดทุกข์ก็ไม่มีพระเจ้าตัดว่าทุกข์ย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องมีความทุกข์เสมอทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายดงนั้นขาให้พวกเราเอ า, เอาธรรมะโอสถวิธีรักษาโลกใจของพวกเราคือหนังสือธรรมะนี้ไปอ่านกันไปศึกษากันแล้วไปปฏิบัติกัน ถ้าปฏิบัติได้ก็จะรักษาโรคใจให้หายขาดจากความทุกข์ต่างๆได้การเจรจาข้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พอนถ้าฟังเรายังคล่องใจยังติดใจยังไม่เข้าใจก็ถามต่อไดนะ้ตอนนี้มีถ่ายทอดสดนะทางเฟ e บ o o กกับยูทูบ ถ้ามาไม่ได้ก็เปิด Facebook ได้ YouTube ได้เข้าไปหน้าผ้าจาย์สุชาติเนี่ยพอบ่ายสองโมงก็จะมีการเตือนว่ามีการถ่ายเท่าสดเปิดดูได้เลยไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้อยากถามก็ส่งข้อความเข้ามาได้เดี๋ยวก็มีผู้ติดตามอยู่เดี๋ย่ก็ส่งข้อความเข้ามาถามปัญหากันเดี๋ยวก็ล้องตอบปัญหาต่อไป จะอยู่ฟังต่อก็ได้หรือจะกลับก็ได้นะตามใจใ่บางคำที่มาทำหนังสือก็ได้นะครับ้องเอาไปทำการบ้านนะเอาไปอ่านนะเวลาเข้าสอบเกิดจะได้ทำได้เวลาเจอผมหงอกจะได้ทำใจได้เออธรรมดาเวลาเจอเวลาเจอหนังเหี่ยวเนาไม่เป็นไรธรรมดา เวลาเงินหายก็ทำใจได้อราไม่เที่ยงนี่เป็นนักศึกษาหรือเป็นอาจารย์นะหรือเป็นทั้งสองอย่างนะเป็นหมอหอยูไหมเป็นหมอม า, ม, ามาเรียนต่อนะ้ว้อมีพยาบาลมาเรียนต่อนะอลบโทแล้วค่ะทำงานวิจัยอ๋อมาทำวิจัยทำวิจัยในด้านของวัคซีนอ๋อวัคซีนวัคซีนตอนนี้เรา ก, ก็มีทีมงาน ทำวัคซีนป้องกันโรคอี่์มีิจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พ้องกันใข้เลอดออกแล้วก็มีวัคซีนป้องกันมะไรต่างก็เป็นเป็นเป็นนักวิจั ย, นนจยไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้ว<ง>เป็นประจำของสถาบันเลย<ง>แล้วนามาใช้ประโยชน์ได้ไหมที่วิจัยมา มาลาเรียยังไม่หายสทีมนีวัคซีนกมันกลายพันธุไปได้เรื่อยนะมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยนะแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากยูเอด้วยป่ะมีโรงการที่รับจากองค์การนาไมโลเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่มลาอยากจะถามไหม ไม่ได้ใจเองแต่เอีดนถามนิดนึงว่าถ้าเราเกิดอาณาถูกไประยะนึงเนี่ยท้อๆทราบว่าปันต่อไม่ค่อยได้ ต, ต้องจับมาที่พุโถที่ถ้าจับมาที่ที่พุโถจริงๆพวกนี้มันก็เป็นสัญญาณใช่ไหมคือเหมือนจับเรา คือมันเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่ไม่มีอารมณ์ความคิดที่จะทําให้ใจสงบความคิดนี้มันคิดได้สองทางคิดแล้วฟุ้งซ่านวิตกกังวลต่างๆนานาแล้วคิดแล้วสงบมันมีสองทางถ้าเราคิดแต่พุทโธพุทโธนี่มันจะสงบเพราะมันไม่มีอะไรมาให้เรากังวลเราถึงต้องใช้พุทโธเพื่อหยุดความคิดที่กังวลเนี่ยเราชอบคิดไปในทางกังวลใจกันห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ กังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ก็เลยเดินมันมาอยู่กับพุโทโธแทนพออยู่กับพุโทโธพุธโทโธความกังวลมันก็หายไปเพราะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆใจก็จะสงบได้สงบแล้วก็จะมีกำลังหยุดความอยากได้แต่ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเห็นกระเป๋าว่าอย่าซื้อมีแล้วใบนี้ น <laughs> ซื้อแล้วเดี๋ยวก็อยากอีกอะซื้อได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเ <c oughs> าว่อวานนี้ก็เท่ว่าถ้าอยากจะซื้อกระเป๋าก็ใช้ถุงพลาสติกนี่มีหลายยี่ห้อเลือกเอาเลยของฟู้ดแลนด์ก็มีของโลตัสก็มีก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันอะใส่ของได้เหมือนกันยิ้วไปไหนมาไหนได้เหมือนกันอำไม่อยากได้ของพวกนี้กันของฟรีๆไม่ชอบชอบของเสียเงิน เนี่ยคือวิธีแก้กิเลสแก้ความอยากต้องใช้ปัญญ า, าปิดได้มหมจ๊ะปิดได้ปิดเครื่องหน่อยเนี่ยโทรศัพท์ไกลดัง เ, เป็นนักวิจัยรู้อยู่แล้วความอยากเป็นเชื้อโรคยังไม่ยอมหยุดเลยยังอยากเราเห็นตึกกเป็นมนุษย์ยอมรับเลย ย อ, ยอมทุกต่อไปต่อให้ทุกน้อยลงเป็นไ ร, รอ่อก็เอาความมักน้อยเข้ามาเข้ากันอาจทุกน้อยก็ต้องมักน้อยอยากน้อยลงไปอยากให้พระอาจารย์อธิบายคําว่าทิฏฐิมนคําว่าทิฏฐิมาเนะ่ยในางพระพุทธศาสนาหมายความว่ า, านะอย่างเคเรามีความเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็ยึดติดกับความเห็นนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะ คือไม่ยอมเปลี่ยนความเห็นของเราเป็นคนดื้อพูดย่าไงซึ่งส่วนใหญ่ทิฏฐิมานะของเรามันมันผิดมันมันเป็นความหลงออกจากความหลงเห็นเห็นเห็นเห็นทุกเป็นสุขงนี้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ของเราเป็นของเราอันนี้ก็เป็นทิฏฐิมานะที่พระเจ้าพยายามจะแก้ให้ว่า สิ่งตั้งหลายในโลกนี้มันไม่เที่ยงแต่เรามักจะคิดว่ามันเที่ยงกันสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันทุกข์มันไม่สุขแต่เราก็ยังคิดว่ามันสุขกันสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยังไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเรามีมานะทิฏฐิคนที่จะมาศึกษาพระพุทธศาสานานี่ขั้นตนนี้จะต้องละทิฏฐิมานะ เวลาครูบาอาจารย์จะสอนขายนี่ท่านจะทดสอบจิตใจก่อนดูว่าจะเชื่อฟังหรือไม่ถ้าไม่เชื่อฟังก็สอนไม่ได้อ่าอ่าท่านในกรณีที่นั่งกรรมฐานสมาธิทีภาพสมดเต็มไปหมดเลยการยับยั้อย่างเราไม่มีพุโทโธไงถ้าเรานั่งเราต้องมีพุโทโธหรือมีอะไรกํากับใจถ้าไม่มีมันก็ใช้หนังให้เราดูไป ใจลรานี้เหมือนเหมือนจอภาพยนตร์แล้วใจมันจะฉายภาคต่างๆให้เราดูถ้านั่งแบบนั้นมันจะไม่มีวันสงบระดีไม่ดีอาจจะไม่กล้านั่งเวลาไปเจอภาพที่น่ากลัวขึ้นมางั้นเวลานั่งอย่าไปอ ย, าอย่าปล่อยให้ใจฉายหนังต่างๆออกมาต้องมีพุโทโธกำกับใจหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วใจจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาหรือถ้ามีเราก็อย่าไปสนใจ ให้เกาะติดอยู่กับพุทธโธไปหรือเกาะติดอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวพอใจสงบมันทุกอย่างจะหายไปหมดเองอยังอย่านั่งเฉยๆนะนั่งสมาธิไม่ให้นั่งหลับตาเฉยๆอย่างนี้ไม่เรียกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิต้องมีสติมีอารมณ์กควบคุมใจถ้ามีพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้ามีลมหายใจก็เรียกว่าอานาตานาสติ ต้องมีอะไรอย่างใดคอยกำกับควบคุมความคิดไม่เช่นนั้นความคิดมันจะผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาในใจเรา <S <S อะไรไงอยากจะถายังไงไม่ถามจะกลับก็กลับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยต่อเลยวคุยกลางคันนจะหยุดไม่ได้นะไปกอนะ ก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติจะเป็นประโยชน์กับเรามากรับรองได้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติจะทำให้เราโยนโยนเงินทองทิ้งไปได้อย่างสบายอย่างง่ายดายเพราะเราจะมีของที่ดีกว่ามีคนค่ากว่าเพราะรัตนใจพอะพุทธพระธรรมพระสง์พระรัตนทิศเพชร เพชรที่แท้จริงมีคุณค่ากว่าเพชรในจินดาทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนะลองเปลยนเปลี่ยนกระเป๋าซื้อใช้ถุงพลาสติกแทนไม่ทนเลยก็เปลี่ยนได้เลยโอ้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทุกวันที่เลยได้ของใหม่ใช้อยู่เรื่อยๆอันนี้ใช้ไปนานๆก็เบื่อกันมันถนก็เบื่อกั<ช> น, นกอย่อยากให้มันพังจะได้ซื้อใหม่ค่อยกลับไปเพราะว่า <laughs> การที่จะปรับเลยอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามใช่มันยากยากไม่เป็นไรก็ให้ตั้งใจก็แล้วกันให้มีเป้าหมายกระเป๋าสวยนะนั่นกระเป๋านี่ก็เป๋าสวยไหมไงอย่างค่ะนี่ห้าปีแะ้รห้าปีแล้วได้กันเลย เบอกระเป๋าวบนี้ก็ได้กันไม่ต้องเสียเงินซื้อมาในยูมาในยูทูนเข้ามาเท่าไหร่ตอนนี้มีห้าสิคนครับห้าสิบแนวทางจากสามร้อยห้าสิ0คึงสอง้อแปสิบสองร้อยแปดสิบเลโทนี่มาหรบอยังยังไม่มาชาลันก็ไม่มายังครับสองสองชาวต่างประเทศขาประจำ า ท, ไ, ท Vegas? ไม่รู้หรอกไม่ได้ถามว่าเขาไม่ได้บอกนะก็คงจะ <c oughs> ทำงานเกี่ยวกับคาสิโนโรงแรมธ <c oughs> นะุรกิจมันก็มีแค่นั้นแหละที่นั่นยิงตอนนี้ลาสเวกัสมันก็ตีห <c oughs> นึ่งตีสองประมาณตีหนึ่งตีสอง แสดงว่าพุ่มเลิกงานยังไม่เลิกกันเลยเหมืนเหมือนพัทยานะเหมันไปปิดตอนตีสี่ตีห้านู่นคนนะกลับไปนอนกันค่ะอ๋อยังจะถามว่ายอมใเคยนั่งสมาธิไหมจ๊าเวลามีปัญหาอะไรก็จะอยู่ที่พุทโธพุทโธแล้วมันก็จะเหยีดไปแต่จะหลังมันเริ่มนั่งสมาธินี่พุทโธจะไม่อย เป็นยอาไม่อยู่ก็คือมันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆอ่าก็ต้องทําบ่อยๆทํามากๆทำไปเรื่อยๆใช่อ่าต้องทําก่อนมานั่งต้องพุทโธก่อนมานั่งถ้ามาพุทโธตอนนั่งมันไม่มีกําลังลเพราะเพาก็ตื่นมากพุทโธอ่าพุทโธไปทั้งวันพอคิดเรื่องอะไรก็พุทโธแลก็หยุดไปเ อ, เอ่แต่คราวนี้ตอนนี้เริ่มจะมานั่งสมาธิก็ทําเหมือนกันว่ามันคิดก็พุทโธพุทโธไปก็หยุดได้ ช่างวัวมันก็พูดโทงเราไปเรื่อยๆอย่าอยู่ทุดโทงแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดเอง <Okay. S 2> เดี๋ยวก็จะเหลือแต่พูดโธอย่างเดียวแล้วเวลาฟังอาจารย์เทศเรื่องพระเจ้าไมันยังรู้สึกเศร้าอะไรก็ไม่เศร้าพอเสียใจแั้วเศร้าพอดีใจเศร้าเตื้นเหมือนลำคอพุ่งอะไรไม่ออกตื้นตันตืนตนอประทับใจแล้วก็ว่าเรามาบนเขานี้ไม่อยากมานะคิดเกียดขึ้นมา แต่ว่าขึ้นขึ้นมาพอลงไปแล้วเออมันสงบใจดีอะไรเงี้ยเอพราะกิเลสไม่ยอมไม่ขึ้นมันก็เลยไม่อยากขึ้นมากิเลสมาดูทีวีดีกว่ากินขนมดีกว่าพอส่งของไม่มาไม่มาก็ขึ้นมาเออแล้วฝืนมามันต้องฝืนกิเลสถึงจะถึงจะได้เจอของดีถ้าไม่ฝืนกิเลสมันก็จะเจอแต่ตัวนอนไส้เดือนเจอเพชรเจอพลก็เขี่ยทิ้งหมด แล้วก็เวลาฟังเพลงจากอาจารย์เนี่ยยอนั่งไม่ได้เลยนะคะต้องเดินฟังเดินไปเดินมาไม่งั้นมันหลับอ๋อก็ไม่เป็นไรเดินก็ได้ไมเป็นใช้เดินเดินแก้หลับเดินแก้หลับได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินแล้วตั้งใจฟังไม่ได้ทําอะไรถ้าเดินจงกรมแล้วฟังไปก็ได้ได้ใช่แต่อย่าไปทําอย่างอื่นไม่ด้คอย่าไปทําเดินเฉยเฉไม่เป็นไรเดินแล้วฟังไปได้ขับรถฟังไปก็ได้แต่ระวังขับรถต้องต้องอยู่กับการขับรถ เดี๋ยวถ้าฟังแล้วเผลอเดี๋ยวรถมีอะไรตัดหน้าจะแก้แก้ไม่ทันเรัมใช้บุตโทรครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้บโทรแล้วมันจะคิดเป็นเรื่องอื่นอ่ได้ไ ด, ะะได้แต่ต้องดูดูรถดูถนนอา่อาปัญหาคำถามของค่ า, า, าก่อนยูท<า> <YouTube S 1> ูบเอามีอินบ็อกซ์หนึ่งคำถามของ่ายใมครับอ่าถ้าแฟนเคยขโมยเงินโดยเปลี่ยนพาสเวิร์ดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพื่อเอาไปเล่นพนัน จนเงินเก็บของหนูหนึ่งล้านหมดไปในสองวันเขาบอกสำนึกผิดแล้วจะกลับตัวเขาเคยมีความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงานแต่สุดท้ายก็เลือกเราคนแบบนี้จะสามารถกลับตัวได้จริงๆหรือไม่คักเวลาเขาเวลาขอให้เขาช่วยอะไรเขาจะคิดก่อนว่าเราเคยช่วยอะไรเขาบ้างสุดท้ายอาจจะช่วยแต่ไม่ได้เต็มใจที่จะช่วยแต่ตอนนี้หนูอยู่ต่างประเทศ ซึ่งบางทีรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวพยายามคิดให้อภัยแต่จริงๆคือเหมือนกับตัวเองไม่สามารถให้อภัยแบบจริงๆได้รู้สึกเขายังติดคาา้างเราไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนความคิดหรือต้องทำอย่างไรให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ครับเปลี่ยนยังไงล่ะสถานการณ์เป็นยังไงจะเปลี่ยนความคิดเป็น ถามว่าไงก็จะทาอะไรครับเขาจ ะ, ะถามว่าไม่ไม่ทราบ ว, ว่าจะเปลี่ยนความคิดหรือต้องทำอย่างไรให้สถานการณ์ดีขึ้นครับก็อยู่กับสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปอยู่สิใช่ั้ยอยู่คนทุศีนไปอยู่ทำไมก็มีคำพูดว่าออถ้าเขาหลอกเราขั้งแรกนี่ถือว่า เ, ออเป็นความผิดของเขาแต่ก็เราหลอกเขาขั้งที่สองได้เป็นความผิดของเรา ที่ปลอยเขาหลอกมาหลอกซ้ําได้อข้าใจไหมนี่อย่างว่าความหลงความรักเขามันก็เลยยังทําให้เสียดายอยู่ยังอยากจะเชื่อว่าเขาไม่หลอกเราครั้งที่สอง mm hmm. อยงนันถ้าฟังสุภาษิตว่าเนี่ยคนก็มีประสบะการณ์มาเยอะถ้าจะบอกว่าถ้าถูกเขาหลอกครั้งแรกนี่มันเป็นความผิดของเขาเพราะเราเราเชื่อเขาไงเราต้องเชื่อกันใช่ไหมคนเราคบกันใหม่ๆ ไม่รู้จักกันก็ต้องเชื่อเชื่อใจกันถ้าเขาจะหลอกก็หลอกได้ครั้งเดียวแต่ถ้าปล่อยให้าหลอกได้ครั้งที่สองนี่แสดงว่าความผิดของเราแล้วคำ <c oughs> ถามต่อไปจาก Youtube ครับจากคุณทิติชยัยถ้าเรามีอารมณ์ไม่พอใจโกรธคนรอบข้างง่ายเกินไปขอคำแนะนำพระอาจารย์เรื่องการเจริญเมตตาเพื่อให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นให้มากๆด้วยครับ ไม่หรอกปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความไม่มีเมตตาปัญหามันอยู่ที่ความอยากของเราเองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากสิปล่อยก็กด์เขาจะเป็นไงเรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธเขาเมื่อเราไม่โกรธเ้าเราก็ไม่ต้องมาแผ่เมตตาให้เหนื่อยการแผ่เมตตาก็คืออย่าไปยุ่งกับเขาเนี่ยแล้วก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วแผ่เมตตาก็คือเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยก็เป็นไป แค่นี้เราก็จบละเราก็จะไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะเขาังไม่ได้มาทำตามทำให้เราขัดใจเราใช่ไหมที่เราโกรธเขาเพราะเขาทำให้ขัดใจเรายังอย่าไปอยากถ้าไม่อยากนวะจะไม่มีอะไรมาขัดใจเราแล้วเราก็จะไม่โกรธแล้วเราไม่ต้องมาแผ่เมตตาทีหลังจะแผ่ั้งแผ่ตอนต้นแผ่ตอนนี้ตอนที่ยังไม่โกรธคือปล่อยให้เขาทำอะไรตามสบายให้ความสุขกับเขา ทำอย่างนี้แล้วก็มีความสุขทำไปเลยกินเล้ก็มีความสุขทาไปเลยเที่ยวก็มีความสุขเที่ยวไปเลยแล้วเราก็จะสบายใจเราก็ยังไม่โกรธใครคำถามจากคุณศรีโยมทำทานศีลภาวนาเรื่อยเรื่อเรายังมีความสุขต่างพระอาจารย์เทศแล้วอยากได้สัมผัสความสุขที่สุดคือการไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเลย คงจะยังไม่ได้ถ้ายังไม่พ้นกิเลสมันยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับอะไรได้เลยในโลกใช่ไหมคะออไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากการไม่มีอะไรก็ต้องค่อยๆทำไปมีเงินมีทองก็อย่าเอาไปใช้ซื้ออะไรต่างๆเอาไปทำบุญให้หมดอยากจะซื้อของมาให้ความสุขกับเราก็อย่าซื้อมาให้คิดว่าซื้อความทุกข์จะดีกว่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กับของที่เราซื้อมาแล้ สุกเดี๋ยวเดียวสุกตอนที่ได้ออกมาจากร้านพอได้มาแล้วก็ต้องคอยเฝ้ามาันละกระเป๋านี่เดี๋ยวก็ต้องคอยห่วงมันละห่ ว, หวงละใครมาแตะไม่ได้วเวลาจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆเอาไปทําบุญซะเราเราจะไม่มีของมากเราจะมีของเท่าที่จําเป็นจริงๆกระเป๋าใบเดียวก็พอรองเท้าคู่เดียวก็พอเสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอแล้วเราจะไม่มีความทุกข์วุ่นวายกับข้าวของเงินทองต่างๆ แล้วเราก็จะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้เพราะเราจะไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะเปลี่ยนงานก็ได้หาเงาินอิสระทําวันสองวันก็พอพอมาซื้อของที่จําเป็นเอาเวลาไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมได้จิตสงบได้เดี๋ยวก็ปล่อยได้หมดเลยอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวพอละคําถามจากคุณรัฐาขอวิธีการถือศีลแปที่บ้านคะ่ะ ก็อ่านดูสิสินแปดมีอะไรนะห้ามนอนกับแฟนห้ามกินข้าวเย็ยนห้ามดูหนังฟังเพลงห้ามเที่ยวห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวห้ามนอนบนเตียงห้ามนอนบนพูกนหนาๆเตียงใหญ่ๆให้นอนกับพื้นแข็งๆปูเสือ่อปูผ้าเพื่อจะได้เพื่อจะได้นอนไม่มากต้องการเอาเวลานอนมาปฏิบัติรรมาทาสมาธิมาทำใจให้สงบกัน ่คือศีลแปดนอกจากศีลของศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่เที่ยวไม่หาความสุขทางตาหูจมูกเนื้องายมอสุบมันเทมต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทําเผาทาผม แล้ก็ไม่นอนบนฟูกนนหนาเตียงใหญ่ๆนอนกับพื้นนอนกับพื้นแข็งๆคำถามจากคุณเต้เวลานั่งสมาธิไปสักพักแล้วเกิดทุก์เวทนาควรจะปฏิบัติอย่างไรดีควรนั่งควรจะนั่งสมาธิสู้ต่อเวทนาต่อไปหรือควรคว ร, ควรเปลี่ยนอริยบทไปเดินจงกรมแทนครับเวลานั่งสมาธินั่งแบบไหนก็ไม่บอก นั่งด้วยพุโทโธหรือนั่งด้วยลมหายใจหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเลยก็นั่งไปต่อไปก็นั่งไม่ได้ถ้าจะนั่งต่อไปก็ต้องมีพุโทโธหรือดูลมหายใจแล้วความเจ็บมันจะไม่มารบควรใจถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธไปความเจ็บมันจะเข้ามาไม่ได้ที่มันที่มันลบควรใจเราก็คือความอยากของเราเองนั่นะอยากให้ความเจ็บหายไปพอมันไม่หายก็ทนมันไม่ได้ แต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่มีความอยากให้มันหายความความลำคาญใจก็ไม่มีมันก็จะอยู่ต่อไปได้นั่งต่อไปได้แล้วก็จะสงบได้สงบลึกกว่ากว่าตอนที่ไม่มีเวทนาคำถามจากคุณซินีนาทุกครั้งที่ออกกำลังกายเดินสลับวิ่งโยมจะเอาจิตจอ่อรู้ลมหายใจเข้าออกบ้างจดจ่ออยู่กับการเดินบ้าง อย่างนี้เป็นวิธีการเจริญสติที่ถูกไหมค ะ, อ, ะอยู่ที่ลมนี่มันอาจจะยากเพราะลมมันละเอียดแต่ถ้าดูได้ก็ดูไปหรือจะอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การเดินการวิ่งก็ได้ข้อสำคัญก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆคำถามจากคุณเมืองแมน กรดีที่เรายังจําเป็นต้องทํางานอยู่ผมมีครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่ถ้าจะย้ายไปเข้ากรุงเทพก็จะได้ยศมากขึ้นแต่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแต่ถ้าอยู่เชียงใหม่ได้อยู่กับครอบครัวได้ยศเท่าเดิมมีความสุขแต่ถ้าไม่ลงกรุงเทพน้องที่เป็นรองผ อ, อต่อจากผมเขาก็ขึ้นไม่ได้สรุปแล้วทางสองทางล้วนมีข้อดีข้อเสียคิดยังไม่ออกชัดเจนแก้ไขยอย่างไรดีครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไร เราจะเอาสองทางไม่ได้ก็เลือกเอาเสียจะเอาทางไหนจะเอายศดแล้วลูกน้องก็จะได้ขึ้นก็ต้องย้ายไปจะเอาความสุขอยู่กับครอบครัวก็ไม่เอายุดลูกน้องก็ขึ้นไม่ได้ให้ลูกน้องย้ายไปแทนเราสิให้เขาขึ้นไปแทนเราสิเปลี่ยนยศกับลูกน้องก็ได้ถ้าอยากจะอยู่ก็ขอสลับยศกันได้ไหมถามว่า คำถามจากคุณมาสเตอร์เรามีพระพุทธรูปองค์เดียวก็ใช้ได้ไหมครับเพราะสักกิองค์ก็คือพระพุทธรูปถูกไหมครับอ่ไม่มีก็ได้พระพุทธรูปนึกอยใจในใจก็ได้แต่มีมันก็ดีบางทีเวลาไม่มีพระพุทธรูปมันไม่มีอะไรมาเตือนใจเราเดี๋ยวอยากจะทําบาปก็จะง่า ย, างงายพอมีเห็นพระพุทธรูปบอกให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเฝ้ากําลังดูเราอยู่นี่ยมาก็เลยอาจจะไม่กล้าทําบาปไมได้ จากคุณวิสูตผมเคยสร้างกรรมชั่วมานะับไม่ถ้วนเหตุเหตุนั้นการที่ผมมาปฏิบัติธรรมนี้จะช่วยให้พ้นจากกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายที่ได้ทำมาแล้วหรือไม่ครับได้ถ้าไปถึงพระนิพพานเหมือนองคุลิมานเนองคุริมานกทำชั่วมามากแต่พอมันรู้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดตายไปก็ไม่ต้องไปอบายคาถามจากคุณพิแ์แทน แพทย์พยาบาลที่ต้องสั่งยาฆ่าเชื้อและฉีดยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสจะเป็นการสร้างกรรมใหม่หรือไม่คะ อ, อ๋อไม่หรอกพวกเชื้อแบคที r ียไวรัสไม่มีดวงวิญญาณคำถามจากคุณวีรชัยเวลาเจ็บป่วยปฏิบัติธรรมวิธีไหนดีครับก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบปล่อยวางร่างกายมันจะหายก็หายไม่หายก็ช่างมัน คำถามจากคุณสุพรโยมได้รับแม่จากจต่างจังหวัดมาอยู่ที่กรทมเพราะกลัวคุณแม่เป็นโรคซึมเศร้าแต่แม่อยากกลับบ้านตลอดแม่คิดจะหนีจากบ้านไปค่ะยมอธิบายให้แม่ฟังด้วยเหตุผลแล้วค่ะอย่างนี้โยมต้องอุเบกขาหรือเปล่าค ะ, ะเพราะเราเลี้ยงแม่ด้วยกายแต่ใจท่านต้องดูแลเองเออต้องทําใจตามใจแม่แม่อยากจะกลับไปก็ปล่อยให้ท่านกลับไปอย่าให้ท่านทุกข์เลย ให้ท่านสุขดีกว่าเราก็สอนวิธีให้ท่านอยู่แบบถ้าเกิดไปไหนมาไหนก็ให้เขียนที่อยู่ใส่ไว้ในกระเป๋า <c oughs> เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้เผื่อเวลาไปไหนมาไหนถามว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เอาเบอร์โทรศัพท์ให้คนเขาช่วยโทรไปเรียกคนมารับคำถามจากคุณเจนจีราให้อภัยทาอย่างไรได้บ้างเจ้าคะ ก็อย่าถือโทยกดเคิงกันไงใครเขาดา่าเราก็สาธุถ้าเป็นความสุขของเธอก็ยินดีที่จะให้เธอดา<ะ>่าอย่างฝรั่งศาสนาคริสก็บอกถ้าถูกตบหน้าตบหน้าทางด้านซ้ายก็หันหนด้านขวาไปก็ตบอีกที <c oughs> อย่าไปตบกลับเข้าใจไหมแต่ <c oughs> เขาตบยังไม่สาสมเอาเอ า, เอาอีกข้าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองอ่าว่าคาถามจากคุณยานิฐาผู้ที่มีสติอยู่ที่ลมหายใจจนวาระสุดท้ายแล้วตายจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมคะได้ถ้าสงบถ้าใจสงบ ก, ก็ได้ถ้าตายถ้าใจวุ่นวายก็ไม่ได้ขึ้นคาถามจากคุณรัตนา ขายอาหารตามสั่งและขายเบียร์เป็นบาปและผิดศีลไหมคะอ๋อไม่ผิดเราเป็นอาชีพไม่เหมาะท่านั้นเองค่ะสุรายาเมาเนี่เขาถือว่าเป็นมิจฉาชีพรือไม่เป็นอาชีพส่งเสริมให้คนมึนเมาแล้วอาจจะไปทาบาปต่อไปได้แต่คนขายเองไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าไม่ควรจะขายไม่ควรขายของที่มึนเมาไม่ควรขายของที่จะไปทำร้ายผู้อื่นได้เช่นขายอาวุธขายมีดขายปืน ขายยาพิษอะไรต่างๆเรานี้ไม่ควรขายให้คหนอื่นเขาขายไม่ใช่หน้าที่ของเราเราเป็นชาวพุทธเราอย่าไปส่งเสริมการฆ่าการการทำลายกันคำถามจากคุณอาชาริยาการที่เรามีหน้าที่การงานดีพอสมควรมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่สบายแปลว่ามารดาบิดาจะมีรายได้ของตนเอง ครอบครัวมีฐานะพอสมควรเรามีเงินเก็บบ้างและอยากได้เวลาศึกษาและปฏิบัติธรรมมากขึ้นจึงต้องการลาออกมาทํางานที่ใช้เวลาไม่มากแต่มารดาบิดาไม่เห็นด้วยเพราะในทางโลกท่านยังเห็นความมั่นคงในหน้าที่การงานอยู่เพราะท่านเองทํางานจนกระเสียงอายุงานจะทําอย่างไรให้ท่านสบายใจและยังมีไรายได้ให้สามารถทําบุญและสนับสนุนครอบครัวได้คะอ้าว ก็ต้องเลือกเอาใจเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อยากจะมีงานทำบุญก็ต้องทำงานมากเหมือนเดิมแต่ถ้าอยากจ ะ, ะปฏิบัติธรรมก็ต้องลดการทำงานลงการทำบุญมันมีหลายแบบการปฏิบัติธรรมก็เป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าการทำบุญด้วยเงินทองเพราะอ น, นิสงส์ประโยชน์มันไดม้มันมากกว่าการมหาศาล ถ้าเราเลือกไปทางปฏิบัติธรรมได้ควรจะเลือกทางปฏิบัติธรรมมากกว่าการไปทําบุญทําทานส่วนเรื่องความรู้สึกของคนอื่นนี้เราไม่ได้ไปทําเข้าให้เข้าเสียใจเขาเสียใจเขาเองด้วยความอยากของเขาถ้าเขาไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนี้ดีกับเรามากน้อยเพียงไรเขาอาจจะดีใจซะอีกอยังเรื่องของความไม่เพาะไม่สบายใจของเขานี่มันเป็นเรื่องของเขาเราไปแก้ไม่ได้เราก็เพียงแต่บอกเขาว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี้ ได้ประโยชน์มากกว่าการทํางานเพราะทําทงานเดี๋ยวตายใบเงินทองหามาได้ก็ไ ม, ไม่ได้ใช้อยู่ดีแต่การปฏิบัติธรรมนี้ทําให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้หมดแล้วเลยหมดแล้วค่ ะ, ะก็พอสมควรแก่เวลาวันนี้คนไม่มากก็ดีอย่างได้คุยกันแบบสบายสบายมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้